ชอบสมถะก่อนก็ได้ใจเราฟุ้งเก่งเอาสมถะไว้พอได้สมถะแล้วต่อไปก็ปล่อยให้จิตมันทํางานหรืถ้าจิตไม่ยอมทํางานนะพิจารณาร่างกายไปเลยดูไปร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่นานก็ตายยืนาไปพอตายปุ๊บของที่เคยเป็นตัวเราเป็นของเราก็ไม่เป็นละยีนาอย่างนี้จิตจะได้เดินปัญญา อยู่อยู่ไปดูจิตตรงๆไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่พอออกนอกอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เลิกยังเล่นงคิดมาหน่นอยดพกอยู่วัดที่จะส่งกันบ้านนะให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ้าน ตัวนั้นคือจิตฟุ้งซ่านมันจะพูดอย่างเดียวเลยไม่ฟังอย่างเวลาเราฟุ้งซ่านอย่างเงยพูดแล้วไม่ยอมฟังใครไม่รู้ทันดีที่ไม่ไปรักษาจิตให้นิ่งอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเมื่อก่อนจะไปรักษาจิตให้นิ่งไว้ตัวนั้นเหลือตัวนิ่งเดี๋ยวนี้ปล่อยได้แล้วปล่อยไปเราจะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงตัวหลงก็ไม่เที่ยง ดูความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆสมาธิเราเยอะพอแล้วละดูจิตมันทํางานไปปวัดแล้วมันสบายเกินนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ดูครับไม่มีอะไรดูมีร่างกายไหมมีความรู้สึกไหมมีเหมือนอยู่บ้านนั่นแหละผมไม่มีอะไรดูรูปก็มีเหมือนที่อยู่บ้านใชไหม นมามธรรมสุขทุกข์เฉย ๆ, ๆตัวเวทนาก็มีตัวสังขารสังเกตไหมใจอย่างใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องโ น, น้นคิดเรื่องเนี้ยมมีให้ดูทั้งวันอะ่ะไม่มีหรอกที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีสภาวะยัง ม, มีแต่เราไม่ดูเท่านั้นสภาวะธรรมนะไม่เลือกที่อยู่วัดก็มีอยู่บ้านก็มีอยู่บนถนนก็มีที่ไหนก็มีอัดดูสภาวะไปได้่อยๆ บางทีสงสัยงงไม่จะดูอะไรดีนะ เ, นเที่ยวหาใหญ่ตอนนั้นให้รู้ว่ากําลังงงนะจิตเำลังสงสัยจิตเำลังสแสงหาดูไปตรงๆนั่นหนละไม่งั้นเราละเลยไม่ยอมดูจิตนะมัวจะจะเที่ยวหาอะไรมาดูนะดูออกไหมเออนั่นแหละมัไปหลงคนมันใครอยู่วัดอีก สมาธิไม่พ อ, อตอนสมาธิไม่พอเรากลับมาหายใจมาพุโทโธไปไเห็นพุโทโธพุโทโธปลอดไทยนะปลอดไทยกว่าอนาปนาสตินาปนาสติอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีมันพลิกแปลงเยอะอยู่คนเดียวพุโทโธง่ายๆไม่มีอะไร พุโทโธก็คือตัวจิตเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ทันจิตตัวเองพุโทโธเป็นความคิดจริงๆแล้วคําว่าพุโทโธเป็นความคิดเป็นอารมณ์บัญญตัติเราจงใจคิดคําว่าพุโทโธขึ้นมาแล้วพอเราขาดสติมันจะทิ้งการคิดพุโทโธไปคิดเรื่องอื่นเหมือนที่เราพุโทโธเนี่ยเพื่อจะได้รู้ทันเวลามันลงไปคิดเรื่องอื่นจะได้รู้ได้เร็วเท่า น, นั้นเองะ แล้วพอเรารู้ทันเด้จิตลงไปคิดนะจิตรู้จะเกิดสมาธิจะเกิดขึ้นเองนะจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นตรงที่รู้ทันจิตที่ไปคิดนะอะไรนะแน่นทันทีแหละถ้าเพง่งนะเพ่งปุ๊บแน่นปั๊บสมาธิที่ดีคือความรู้สึกตัว สภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นคือคาว่าสมาธิสวนในนั่งเพ่งซื่อบือ้อในนั้นมันมิจฉาสมาธิถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ เ, เรียกว่ามีสมาธิอยู่ถ้าลืมเนือ้อลืมตัวก็ เ, เรียกว่าไม่มีสมาธิแค่นั้นเองรู้สึกไหมวันนี้เรารู้ตัวสบายๆไม่ได้จงใจ <c oughs> จิตอย่างนี้ดี จิตที่เป็นธรรมดาเนี่ยเห็นไหมมันเบิกบานที่มาได้เองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ตรงนี้จิตหลงคิดจิตหลงไปคิดแล้วมีคนไปปล่อยข่าวว่าหลวงพ่อไปเผาศพหลวงปู่ท่อนไปเข้าซีรีลาดนะ <c oughs> <c oughs> ไปให้ไหลตูเลยเลยสองครั้ง หลงนีกแล้วดูออกไหมหลวงพ่อบอกแล้วรู้ไหมเออถ้าหลวงพ่อบอกแล้วรู้ก็ใช้ได้ถ้าหลวงพ่อบอกแเราไม่รู้เนี่ย น, นะใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปดูกายจิตนี่มันหนีเก่งลึกลับถ้าสติสมาธิเราไม่พอเราดูร่างกายไหมร่างกายมันเป็นของหยาบ ยังงมันก็ไม่หายไปไหนจิตนั้นชอบหนีไปเราไม่เคยรู้นถ้าดูจิตไม่ออกดูกายกายเป็นบ้านของจิตหลวงปู่มั่นมองดูกายเพื่อให้เห็นจิตไม่ใช่ดูกายเพื่อเฝ้าอยู่ที่กายถ้าดูกายจิตมีกำลังขึ้นให้เห็นจิตได้ดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม ดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมธรรมะมีหลายอย่างมีอกุศลธรรมเกิดที่จิตกุศลธรรมก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตโลกุตรธรรมอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยและกายเป็นแค่เปลือกเป็นบ้านที่จินาศยยอยู่เราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านเท่า ก้ายู่ที่กายก็รู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวอยู่นิ่งรู้สึกไปได้หอยนรู้สึกตัวเรื่อยมารู้สึกไปเรื่อยแล้วต่อไปพระจิตมันทํางานขึ้นมามันจะเห็นเอจะมีกําลังไปเห็นจิตหลวงพ่อทําสมาธิแต่เด็กแ่ได้เจ็ดบวกนั่งสมาธิวงไวไปหาหลวงพู ด, ดุลหลวงพู ด, ดุลสอนดูจิต บางคนไปหาท่านท่านท็สอนให้พุโทโธบางคนท่านให้พิจารณากระดูกบางคนท่านให้พิจารณาผมเส้นเดียวแต่ละคนเนี่ยท่านให้กรรมฐานไม่เหมือนกันหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนสมถะเรามีสมาธิอยู่แล้วท่านสอนให้ดูจิตไปเลยเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่แรกดูจิตไม่เป็นท่านบอกให้ดูจิตเลยไปเฝ้าจิตให้นิ่ง เราไปบอกท่านว่าเรีดูจิตดาราเฝ้าไว้ทั้งวันไหยไม่หายไปไหนนะท่านบอกอยนนั้นไม่ได้ดูจิตนั่นไปแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกเราไปเฝ้าให้มันนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้ท่านบอกนั้นเป็นการแทรกแซงจิตไปดูใหม่ท่านพูดสั้นๆไม่ขยายความ พ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเฝ้าดูจิตอยูย่ไม่หนีไปไหนเลยท่านบอกว่าผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอากายของจิตไปดูใหม่ตอนแค่นี้ <c oughs> เราต้อมาดูเองผิดยังไงเพราะท่านว่าดูจิตเราก็ดูจิตอยู่ทำไมท่านว่าเราแทรกแซงสังเกตรเรื่ยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ งั้นมันรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกนะไม่ใช่ไปรักษาอยู่ที่ใจอันเดียวปล่อยให้จิตมันทํางานจิตไปดูรูปมีสติรู้ว่าจิตวิ่งไปดูแลหลงไปดูแลจิตหลงไปฟังก็รู้จิตหลงไปดูก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปคิดนี่หลงทางใจรู้ทันจิตที่หลงจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราจะหลงคิดงั้นครูบาอาจารย์จะเน้น ให้รู้ท่านจิต ท, ที่ลงไปคิดที่จริงลงไปดูแล้วรู้ว่าหลงดูก็ผู้รู้เกิดเหมือนกันแล้จิตมันหลงได้หกช่องไม่โครจรไปโครจรไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นรู้รมสมรู้สัมผัสทางกายเหมือนตัวรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะสิ่งที่รู้ด้วยกายมีชื่อเรียกรวมกันเป็นกลุ่มของรูปกลุ่มนี้เรียกโคจรารูป โคจรเป็นที่โคจรของจิตแล้วก็นํามธรรมนี่ก็เป็นที่โคจรของจิตตัวรูปเป็นที่โคจรของจิตโคจรไปวิ่งไปดูไปฟังตัวรูปตัวเสียงตัวกลิน่นตัวรสตัวความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวในรู้ด้วยร่างกาย รูปรู้ด้วยตาเสียงรู้ด้วยหูกลิ่นรู้ด้วยจมกูกรสรู้ด้วยลิ้นส่วนทางกายเนะี่ยรู้ได้สามธาตุธาตุไฟธาตุดินธาตุลมรู้ได้กายธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุน้ำเป็นแรงดึงดูดของโมเลกุลมีรูปเสียงกลิ่นรสสี ตัวโหดทพะมีสามตัวธาตุดินธาตุไฟธาตุลมลมแล้วเจ็ดรูปเจ็ดรูปนี้เรียกว่าโครจรรูปรูปเป็นที่โครจรของใจเห็นไหมเดี๋ยวใจก็วิ่งไง น, นี้ใจก็วิ่งไง น, นี้วิ่งไปเรื่อยๆพอโครจรไปแล้วจิตก็ทํางานต่อถ้าเรารู้ทันตั้งแต่แรกเมื่อจิตหลงไปดูจิตตั้งมั่นแล่ะจิตตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วใช้ได้ถ้าหลงไปดูแล้วยังไม่รู้ มันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นในใจรู้ว่ามีสุขมีทุกข์ขึ้นในใจนะอันนี้ก็ใช้ได้นะถ้าสุขทุกข์แล้วยังไม่รู้นะมันจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นในใจเรารู้ที่กุศลอกุศล ก, ก็ยังใช้ได้ตรงที่เรากระทบเราเกิดเวทนาเราหัดรู้ตรงนี้บ่อยๆนะนี่ว่าเจริญเวทนานุปัสสนาถ้าตัวนี้ยังดูไม่ทันมาดูที่กิเลสจิตเป็นกุศลบ้างเป็นโลภโกรธหลงบ้าง ตัวนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนะตัวที่กระทบทางทวารทั้งหกอยู่ในธรรมานุปัสสนาตัวนี่ยากที่สุดเลยยากที่สุดเพราะฉะนถ้าเราภาวนานะเราเห็นจิตเคลื่อนได้นะสบายแล้วเราทำสิ่งที่ยากที่สุดได้แล้วจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะถ้ารู้ได้นะดีที่สุด ถ้ารู้ไม่ได้มันลงไปพักหนึ่งแล้วมันจะมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจรู้สุขทุกข์ที่เกิดที่ใจก็ยังดีสุขทุกข์เกิดแล้วมีความสุขเกิดนราคามันแทรกเราเห็นว่ามีราคาเกิดขึ้นก็ยังดีนี่เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าราคาแทรกแล้วยังไม่รู้นะกรรมตัหากับภาวะตันหาจะเกิดขึ้นถ้าโทศาสตร์แทรกวิภวะตันหาจะเกิดขึ้น ถ้าตัณหาเกิดแล้วช่วยไม่ทันแล้วยังไงก็ทุกข์ทันทีที่ตัณหาเกิดก็ทุกข์เลยแต่ถ้าเราเห็นได้แต่กิเลสเกิดนะยังไม่ทุกข์นะสังเกตไหมบางทีสุขแ้วยเห็นโทรศัพผุดขึ้นมาไปเห็นปุ้มดับปั๊บเลยมีความสุขงั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเราสอนดูจิตดูจิตเนี่ยนะดูได้หลายเลเวลนะ ขั้นต่ำสุดก็คือรู้ทันกิเลสที่เกิดแค่จิตขั้นที่ประณีขึ้นมารู้ทันเวทนาที่เกิดที่จิตสุขทุกเฉ ย, ยๆขั้นสูงเลเวลสูงอะไก็คือจิตเคลื่อนไปทางไหนเรารู้ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนหลวงพ่อหัดดูทีแรกหลวงพ่อรักษาจิตจนไม่เคลื่อนนะต่อมาปล่อยให้มันทำงานหลวงปู่บอกทาผิดแล้ว ปล่อยให้เลื่อนเคลอรารู้คลื่อนเอนรารู้ทั้งวันจิตมีสองชนิดเองจิตรู้กับจิตหลงจิตรู้กับจิตหลงสลับกันอยู่แค่นี้เองจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูอยู่อย่างนี้ไม่นานนะสี่เดือนเองจิตมันก็เข้าใจแล้วจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมันเห็นวิชาขั้นตน้นตัววิชา ที่ตรงข้ามกับอวิชามีแปดข้อเสียอันหลังคือรู้อริยสัจ ท, ทุกสมูทไทนิโรธมักสียนแรกจะตื้นกว่านั้นเสียนแรกจะรู้ว่ามีเหตุมีผลเหตุกับผลสัมพันธ์กันกระบวนการที่สัมพันธ์กันเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างพวกเราภาวนาเราเห็นไหมเราเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่เราเห็นท่อนหลังอย่างตากระทบ เกิดเมทนาเกิดตัณหาเกิดทุกข์เกิดอนะไรเนี้ยเราเห็นท่านไทไทายเนะี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดคือตรงที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมกูกลิ้นกายใจขึ้นมาการหยิบฉวยตาหูจมกูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาตุมีชาติก็มีทุกข์ทำไมจิตถึงไปหยิบฉวยเพราะจิตดิ้นรนปรุงแต่งรางจิตดิ้นรนปรุงแต่งเรียกว่าพบเรียกว่ากรรมมพบ ทำไมจิตที่นวลปูกแต่งเพราะจิตยึดถือยึดถือว่าไอเ น, นี้ยดีแ น, น่หลักวิธีปฏิบัติจะต้องทําอย่างนี้พวกเรายึดวิธีปฏิบัติรู้สึกไหมตื่นนอนขึ้นมาคิดวันนี้จะทํำยังไงวันนี้จะทําไงคิดใจเรื่องอย่างเนี้ยตรงนั้นนะมันก็แค่มันปฏิบัติแบบรูปคลำ mm hmm. แบบแบบรูปลูกคลำๆยังไม่รู้ท่องแท้ ยึดถือในศีละพรดยึดถือในศีลและข้อวัดว่าอย่างนี้จะดีอย่างนี้จะดีพวกเรามีรู้สึกัหมตื่นนอนมาก็คิดแล้วจะปฏิบัติยังไง mm hmm. มันมีความยึดถือในศีละพรดถือแบบง ม, มงายง ม, มงายไงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่เอา คิดแต่ว่าจะทํายังไงจิตจะดีจิตจะสุขจิตจะสงบจิตจะฉลาดจิตจะเกิดมรรคผลเนะี่ยถ้าไม่ถ้าไมคิดอย่างนี้นะทําไมมีอุปาทานยึดอย่างนี้เพราะมีตัณหาอยากดีนะมีตัณหาเพราะมันมีเวทนาเนะี่ยภาวนาใหม่ๆหมเห็นท่อนหลังแต่เห็นไม่ละเอียดเท่าที่หลวงพ่อบอกอกแค่เห็นว่าใจมันมี ความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็อยากแล้วมันก็ดิ้นแล้วมันก็ทุกข์เห็นหยับๆยับค่อยๆดูไปถ้าเราสามารถเห็นได้จิตรู้กับจิตหลงดูจิตคู่เดี๋ยวนี้แนหะพอเลยคู่นี้ละเอียดที่สุดแนละ้วจิตรู้กับจิตหลงทั้งวันมีแต่จิตรู้กับจิตหลง ไม่เห็นจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตหลงก็ห้ามไม่ได้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูนมามธรรมเนี่ยเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายเห็นทุกข์ยากเห็นทุกข์ยากแต่สําหรับผู้ปฏิบัติบางท่านที่เจริญมาทางสมาธิมากๆนะตอนที่แตกหักเนี่ยจะแตกหักด้วยกันเห็นทุกข์เพราะจิตนะั้นมันทรงสมาธิอยู่มีแต่ความสุข มันเลยไม่ปล่อยวันหนึ่งเฉลียวใจเห็นลงไปไว่าตัวจิตเจ็นตัวทุกข์นะมันถึงยอมปล่อยยันพวกศรัท ธ, ธาพวกวิริยะอะไรเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงก็ยอมปล่อยแล้วเชื่อง่ายเนะชื่อง่ายเห็นไม่เที่ยงนี้ น, นนะหน่อยๆยอมปล่อยพวกปัญญากล้าเขาเห็นสุญญาตาเห็นอนัตตาเนี่ยสุญญาตาวิโมก พวกกาลังฌานสูงหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์แต่เวลาบรรลุมรรคผลทุกขั้นนะจิตจะต้องสรงฌานจิตจะไปตัดในฌานไม่ตัดข้างนอกอย่างนี้เข้าฌานเองถ้าเข้าได้ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงฌานที่สี่นั้น ้วเป็นท้าสุขาวิปสัสสกะเป็นท้าเทวิโชวิวชาสามอภินยาหกปฏิสัมพิทาสี่ได้แต่ถ้าขึ้นถึงอรูปมีเชื่อเฉพาะเนี่ยอุปตโตภาวิมุตยังหลวงตามหาบัวท่านบอกท่านเป็นอุปตโตภาคนี่ไปตัดแนวรูป ไปไปกินข้าวไปแต่ก่อนจะไปกินข้าวหันหลังไปทานั้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลาหันหน้าไปหันหน้าไปชั้